สามารถติดตามตอนที่เหลือและตอนอื่นๆรวมถึงดาวน์โหลดธรรมะมากมายได้ฟรีที่ Jocho.net j o z h o n e t หายใจจะก้าวตามเดินต่อในเส้นทางมรคคาจะไหลพุนหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทารานอดน้อมภาวนาบูชาพระมหาบัวแหวกไหวเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนือ ร้อยพระมหาบุรขอปฏิบัติบูชาวันทาพระมหาบุร